ความเป็นพระอาหารหันต์แตกต่างกันอย่างไรเป็นคำถามที่ได้ถามมาในเช้าวันนี้จากโยมที่นี่ที่ได้มาถามวายอาหารเช้าความเป็นพระอริยะเรียกว่าอริยบุคคลหรือศัพท์ทางโลกที่พอจะเทียบเทียงให้ทราบได้คืออริยะ เคยเคยได้ยินอรยธรรมนะอรยธรรมทำที่ก่อให้เกิดความเจริญหรือเป็นความเจริญด้วยธรรมการเจริญตามธรรมอย่างเงี้ยอรยธรรมอรยธรรมหรืออริยะก็คือความหมายอันเดียวกันคือผู้เข้าถึงความเจริญหรือส่วนมากจะเรียกว่าผู้ไกลจากกิเลสอริยะเขาก็แปลว่าอริแปลว่าฆาสุยะแปลว่าไป ไปจากข่าสึกคือกิเลสประมาณนี้คือไปสู่ความเจริญหมายถึงว่าบุคคลผู้เป็นอริยบุคคลน่ยจะไม่ตกต่ําเลยตลอดการละนานจะไปสู่ความเจริญถ่ายเดียวบุคคลผู้เข้าถึงความเป็นอริยเจ้าจะมุ่งไปสู่นิพพานโดยถ่ายเดียวคือไปถึงความเจริญโดยไม่เสื่อมหรือคุณธรรมนั้นจะไม่เสื่อมความเสื่อมจากคุณธรรมนั้น ไม่มีทางเสื่อมมีแต่จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นคืออริยะแต่ถ้าต่ำกว่าอริยะจะเรียกว่ากัลยาณบูตุชนกัลยาณบูตุชนนี้ความดีเสื่อมได้ทำดีก็เสื่อมได้ทำไม่ดีก็เสื่อมได้คือเสื่อมได้ทั้งสองทา ง, างจึงจัดอยู่ในบุคคลผู้ไม่แน่นอนเป็นอนิยะตตาบุคคลบุคคลผู้เป็นอริยะนั้น ได้ชื่อว่าเป็นนิยตบุคคลคือบุคคลที่แน่นอนคือจเจริญโดยถ่ายเดียวโดยส่วนเดียวเลยนะไม่มีไม่มีส่วนที่2เลยส่วนเดียวเท่านั้นจเจริญเท่านั้นความเสื่อมไม่ได้บุตุชนจะทําความดีทําบุญดีแค่ไหนก็ตามสูงสุดแค่ไหนก็ตามรักษาศีลได้เลิศแค่ไหนก็ตามบริสุทธิ์แค่ไหนก็ตามเสื่อมได้นะถ้ายังเป็นบุตุชนอยู่ ก็จัดเป็นกัลยาณบุถุชนจะมีปุถุชนธรรมดากับกัลยาณปุถุชนปุรุชนธรรมดาคือคนทั่วไปทํามาหากินเลี้ยงชีพทําบุญใส่บาตรอะไรพวกเนี้ยบุรุชนทั่ววไปแต่กัลยาณบุถุชนนั้นจะใยทำํำใยดีเขาเรียกว่าพยายามสร้างความดีใส่ตัวเองอยู่มากๆตามหลักของศาสนาศาสนาสอนเรื่องคนควรงามความดีอะไรก็ พยายามฝากไฟใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติแต่ยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่อริยะอริยภูมิได้ภูมิของอริยะได้จะรักษาศีล ย, ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นนิยต่ายังไม่แน่นอนก็สามารถเสือสเส่อมได้ศีลก็เสื่อมได้สมาธิก็เสื่อมได้ปัญญาก็เสื่อมได้เนี่คือบุตรชนมีอยู่สองจำพวกส่วนอริยะนั้นมีอยู่สี่จำพวก อริยะนะจำพวกที่หนึ่งพระอริยะที่เรียกว่าสุดาบันจำพวกที่สองพระอริยะที่เรียกว่าสกัตถาคามีจำพวกที่สามพระอริยะที่เรียกว่าอนาคามีจำพวกที่สี่พระอริยะเรียกว่าอรหันที่นี้ในคําถามที่ถามมาว่าความเป็นพระอริยะกับความเป็นพระอรหันต์แตกต่างกันอย่างไรพอมองออกให้ล่ะที้พอมองออก ถาริยะที่เป็นโสดาบันนั้นจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิเลยตลอดยาวนานตลอดตลอดชาติที่เกิดยังไม่ไปสู่อบายภูมิเรียกว่าปิดอบายภูมิได้อย่างเทาอ่อหมายถึงว่าไม่มีความเสื่อมเลยจะไม่ไปสู่ทางเสื่อมจะไม่ตกไป ล, ลงไปสู่ความเสื่อมจะไม่หันไปสู่ทางเสื่อมจะไม่หมุนลงไปสู่ความเสื่อมจะเดินไปสู่ความเจริญเท่านั้นแม้ชาตินั้นจะไม่ปฏิบัติ ทำเพิ่มพูนไปก็ตามก็ไม่เกิดอีกเจชาติเกิดก็เกิดอีกไม่เกินเจชาติไม่เอาชาติที่8ไม่ถือเอาพบที่แปดพระพุทธเจ้าทรงตรัสในภาริยะชั้นต่ําที่สุดก็คือพระโสดาบันผู้ยังมีความประมาทคําว่าประมาทหมายถึงว่าตัวเองได้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ภาคเพียรพยายามทำลายกิเลสให้สิ้นไป หรือไม่พยายามภาคเพียนให้ทำรายกิเลสให้ลดน้อยน้อยถอยลงไปนั่นคืออริยะที่ประมาทแต่ถึงความประมาทอย่างแรงกล้าอย่างไรก็ตามองค์คุณแห่งการเข้าถึงนั้นจะไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมศีลไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมปัญญาไม่เสื่อมคือศีลในอริยมรรคไม่เสื่อมสมาธิในอริยมรรคไม่เสื่อมไม่เสื่อมคําว่าสมาธิในอริยมรรคคือสมมาสมาธิในอริยมรรค ศีลในอริยมรรคคือสัมมาวาจากามันตาอาชีวะไม่เสื่อมแล้วก็ปัญญาในอริยมรรคคือสัมาทิฏิสัมมาสังกัปปะไม่เสื่อมความเห็นผิดจะไม่มีในจิตของพระโสดาบันแน่นอนพระโสดาบันจะเห็นทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ mm hmm. เป็นอริยาศัยรองรับจิตใจอยู่เสมอจะไม่มีความเห็นผิดนอกจากนี้ mm hmm. เพราะเป็นเป็นความเห็นที่แนบอยู่กับจิตแล้ว พุทเจ้าจึงบอกว่าพระอริยโสดาบันนั้นได้เรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความสมบูรณ์มันเริ่มตั้งแต่โสดาบันจนไปถึงอรหันต์สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ไปเรื่อยๆพ ร, ระอรหันต์ก็ได้เป็นผู้สมบูรณ์เรื่องการรู้แจ้งพระนิพพานสมบูรณ์ในเรื่องการรู้แจ้งแต่พระโสดาบันยังไม่รู้แจ้งแค่ตกกระแสนิพพานรับรู้กระแสพนิพพานว่านิพพ า, านมีอยู่จริงไม่ไม่สงสยัย จริงแน่นอนอนิพานเอาเงิน500ล้านพันล้านแสนล้านมาให้แล้วบอกว่านิพานไม่มีอยู่จริงพระโสดาบันพูดไม่ได้พูดก็ขัดกับธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงหรือแม้พูดได้เพื่อต้องการเอาเงินพระนิพานก็ยังมีอยู่จริงพูดว่าพระนิพานไม่มีเอาเงินมาแสนล้านเอาเงินมาแสนล้าน พูดเพื่อเอาเงินได้อยู่แต่ภายหลังก็บอกว่านิพานมีอยู่จริงได้ <c ười> คือมันมันปฏิเสธไม่ได้พูดว่าไม่มีก็ได้แต่ปฏิเสธความจริงที่มันมีอยู่ไม่ได้มันมีจริงจริงนิพานมีแน่นอนเพราะได้รับกระแสอยู่ได้ตกกระแสแล้วกระแสสัมผัสกับจิตแล้วเป็นของประจักษ์ชัดไม่ได้ยินได้ฟังจากใคร หากบุคคลที่ยังจิตยังไม่ตกกระแสพระนิพพานต้องคอยไปฟังอยู่ว่าเอ๊ะนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานอะไรเรื่นิพพานคงนั้นกับนิพพานคนนี้ทําไมไม่เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ก, ก็ก็ได้แค่ฟังมาแต่ถ้าเห็นแล้วรู้แล้วจะไปฟังทําไมหรือได้ยินผ่านมาด้วยการไม่ตั้งใจฟังได้ยินเขาเล่ากาันเรื่องนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ก็ฟังไปอย่างนั้นเนี่ยฟังไปพอ ไปที่เขารู้ว่เล่ากันจริงบ้างไม่จริงบ้างก็จะรู้ภายในตนเองนั่นแหละจริงแค่ไหนไม่จริงแค่ไหนมันมีนิพพานจริงนิพพานปลอมอยู่เหรอมีเอาแล้วเราจะแยกแย ก, แยกออกได้ยังไงว่านิพพานจริงหรือนิพพานปลอมอยาเงี้ยแยกแยกออกได้ยังไงแยกแยกออกได้สิทำไมจะแยกแยกออกไม่ได้ถ้าสัมผัสกับนิพพานจริง สักายทิฏฐิก็จะหายไปวิจิกิจฉาก็จะหายไปศิลพัตตปรามาตก็จะหายไปหากสัมผัสกับนิพพานจริงนะความเห็นผิดในไกลจะไม่มีความลังเลสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงเพื่อไปสู่พนิพพานหรือในเบื้องหน้าจะเป็นยังไงอีกจะไม่มีไม่ลังเลสงสัยและการถือผิดอย่างงมงายเช่นถือเทวดาถือพรมถือผีปีศาจถือ เครื่องรางของขังวัตถุมงคลเครื่องผูกเศษและยึดถือสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การเคารพศักดิ์ระที่มีมาในรรมพระพุทธศาสนาเป็นการยึดถือผิดอย่างมงมงายสิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายไม่ให้อยู่ภายในส่วนของความเห็นในจิตอีกต่อไปจิตจะสลัดออกจากความยึดถือผิดเหล่านี้นการถือผิดอย่างมงมงายนี้ เป็นทางกั้นมรรคผลนิพพานพระโสดาบันที่เข้าถึงกระแสแหล่แห่งผลนิพพานจะทําลายความโกงไงตัวนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระโสดาบันจะเห็นพระรตนาตยในจังหวะที่กระแสผลนิพพานสัมผัสกับจิตจะเห็นอนุปราตะนาตะยอยู่กับจิตในเวลานั้นว่าพระรตนาตยนั้นเข้าถึงโดยจิตจะเห็นหมายถึงว่า การที่พระโสดาบันนั้นได้เห็นพระรัตนาไตยในขณะที่พระนิพพานปรากฏกับจิตสิ่งที่จะเป็นความรู้ในจิตของพระโสดาบันหนึ่งหนึ่งรู้ น, นิพพาน 2. องรู้อริยสัจสีคืออริยสัจสีก็จะเกิดเป็นอริยสัจสีแบบอัธยาศัยในจิตนะอันที่2 อ, อันที่3มจะมีความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะดับไปเป็นธรรมาเป็นอัธยาศัยติดในจิตตลอดอันที่4จะเห็นความปิดอบายภูมิได้อย่างถางวร รู้ชัดภายในตัวเองว่าจะไม่เกิดไปสู่ไบายาภูมิอีกโดยไม่ต้องสงสยัยอันที่ห้าจะเห็นพระร า, าตนาไตเกิดขึ้นมาพร้อมจังหวะเดียวกันกับที่เห็นพระนิพพานนั้นเห็นพระร า, าตนาไตที่แท้จริงอันนี้เรียกว่าเห็นรัตานาไตาทางด้านโลตุตรละแต่อันที่อาตมาสอนให้อธิษฐานจิตเข้าถึงให้เห็นนั้นให้เข้าถึงนั้นเป็นการเข้าถึงรัตานาไตาโดยโลกิยะโลกิยะ คือถือพระรัตนตายโดยด้วยใจมันก็จะส่งผลให้เข้าถึงโลกุตาละได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันคือไม่มีวัตถุปรากฏไม่มีวัตถุให้เป็นเครื่องยึดถือไม่มีวัตถุให้เป็นเครื่องยึดพึ่งแต่ยึดรัตนาตายทางความเป็นนามคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนระลึกขึ้นระลึกถึงชื่อนามแปลว่าชื่อมีแต่ชื่อระลึกถึงชื่อ แล้วเข้าถึงรัตนนายโดยความเป็นนามไม่เข้าไม่เข้าถึงรัตนนายโดยความเป็นลูกแลลึกถึงชื่อแล้วก็น้มจิตน้มใจเข้าถึงอย่างนั้นอยู่บ่อยๆเขาเรียกว่าให้มีความรู้สึกว่าใจเรากับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์กับใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเรามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตเราก็จะมีสภาพแห่งการรองรับจากพรัตนตัยทางธรรมชาติ อะไรก็ตามถ้าเราระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏรองรับจิตใจนึกถึงดวงจันทร์ตอนนี้ภาพดวงจันทร์ปรากฏขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยนึกถึงดวงอาทิตย์ภาพดวงอาทิตย์ปรากฏอย่างเงี้ยนึกถึงบ้านบ้านปรากฏนึกคนที่นึกถึงคนที่รักก็ความรักก็ปรากฏนึกถึงคนที่เกลียดความโกรธความเกลียดก็ปรากฏแต่การนึกถึงแต่ละสิ่งที่มันปรากฏกับจิตไม่ใช่แค่นึกถึงแล้วหายไปเฉยเฉยนะ แต่ละสิ่งที่นึกถึงนั้นมีสัญญาณเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปสู่ภพทุกๆขณะที่เรานึกถึงสร้างภพได้ตลอดเวลาขณะที่ขณะที่คิดนึกเนี่ยเป็นภพอยู่ในนั้นหมดคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปประภพก็เกิดรูประภพคิดถึงสิ่งที่เป็นอรูปภพก็เกิดอรูปภพเขาบอกว่าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรพระสงฆ์ล่ะเกิดอะไรพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมละ่ะพระธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมละ่ะพระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหยละ่ะ พระพุทธเจ้าประดมสงคบริสุทธิ์เรานึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์จิตใจเราเป็นจะเป็นยังไงจิตใจเราก็าบริสุทธิ์ก็จะดีผู้สิ้นกิเลสทำมากเป็นสัจจะเห็นไหมหละ่ะการร ะ, ะลึกถึงถามว่านาสู่ภพไหมแม้จะนําสู่ภพก็เป็นภพที่ไม่ตกต่าเห็นไหมอันนั้นยังเป็นโลกียะอยู่นะมันยังเป็นภพที่ไม่ตกต่าจากเป็นไปในภพแสนกับจิตตุปปาบาทหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกจิตตุปปาบาทหนึ่ง ที่บุคคลนึกถึงตถาคตด้วยจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งนะต้องใช้คำว่าจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่านึกไปเฉยๆอย่างเงี้ยนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เฉยไม่มีจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งไม่ได้มีความเคารพอย่างแรงกล้ามีจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งปักจิตปักใจเข้าถึงอย่างยิ่งอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นชั้นโลกียะก็ตามจิตตุปบาทหนึ่งคำว่าจิตตุปบาทคือความเล่นไปแห่งจิตจิตคือคือจิตแปลว่าจิตอุปาทะการเกิดขึ้น การเกิดขึ้นแห่งจิตที่บุคคล น, นั้นตั้งจิตเลื่อมใสในตถาคตอย่างแรงกล้าอย่างมีความเคารพจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตยนั้นไม่ได้ตรงตอนแก่คำว่าลูบเคารพกับพระรัตนตยให้ออกนะเลื่อมใสรัตนไตัตยเท่านั้นที่เป็นทางนามจากักทรงผลให้จิตดวงนั้นไม่ไปตกอบายภูมิเลยตลอดแสนกับในกับที่หนึ่งแสนเขาจะต้องบรรลุทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณค่า อาตมาต้องการให้เข้าถึงพระนาชายอย่างนี้ในสถานที่นี้แม้จะเป็นโลกิยาก็ตามก็เป็นโลกิยะที่ไม่มีโทษเกิดก็เกิดในที่ที่ไม่มีโทษอย่างนี้หากเกิดเป็นมนุษย์จะได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยมั้งอานิสงส์นี่นะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกี่ชาติก็ไม่แน่ใจและหมดจากอนุภาพที่จะสมผลเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้เกิดเป็นมนุษย์ ที่อยู่ในประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เป็นกษัตริย์ในประเทศนั้น น, น, นี่อ น, นิสงส์การที่ถือพระรันตนตรัยที่ถูกต้องหาไปเกิดเทวดาจะเป็นใหญ่อยู่บนเทพเทวดานั่นคือไปเกิดที่ไหนจะเป็นใหญ่ที่นั่นนี่คืออนุภาพพระรันตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นใหญ่อยู่แล้วในโลกเพราะเป็นของบริสุทธิ์เป็นของปณีทจะไม่ไปเกิดในที่ทุกยากเลยโอที่มาเกิดในที่ทุกยากคือวันนี้มันเพราะอะไร ปรารถนาใจมาไม่ดีบ้างเนาะแต่ก่อนยึดมาไม่ดีสังคมปลูกฝังปลูกฝังให้ยึดถือรูปเขารบเครื่องรางของ ข, องขังไอ้คนปลูกไม่รู้ใครปลูกมาปลูกมาตั้งแต่แรกๆใครปลูกเรามาก็ไม่รู้ให้ยึดถือสิ่งเหล่านั้นเลยเดิมาเกิดแบบลําบากยากเข็นกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรอะวิบากกรรมก็เป็นส่วนของวิบากกรรมอันนั้นก็คือส่วนเป็นอดีตแล้วแต่เมื่อมาเรียนรู้ความจริงที่จะสามารถเข้าถึงได้ ก็เข้าถึงกันก็ทุกอย่างแก้ไขได้หากแก้ไขทันก็ควรจะแก้ทีนี้ภารตะนาใจที่เข้าถึงโลกียะอย่างที่ว่านี้พอเข้าถึงโลกุตละปับ๊บมันจะรู้ทันทีเลยโสราบันจะรู้ทันทีว่าโอ้ที่ยึดัตนาใจแบบนี้ก็เพื่อส่งผลให้ได้รับแบบนี้ความเป็นัตนาใจใน ในความเป็นอริยะหรือโลกุตตระนี้มันสอดคล้องกันกับรัตนตาในชั้นโลกิยะที่เราไม่ได้ยึดถือรูปเคารพคือมันมันเข้ากันได้สนิทอ่ะมันไม่ใช่ว่ายึดถือรูปเคารพมาพอเราถึงโลกุตตระแล้วพอมองย้อนกลับไปแล้วพอเรายึดถือพระพุทธรูปหรือเครื่องสักขระรูปรูปสักขระอย่างใดอย่างหนึ่งกับพระรัตนตาที่เรารู้โดยโลกุตตระนี้มันเข้ากันนั้นมันไม่มีทางมันเข้ากันไม่ได้ ถามว่าเอาแล้วกูบาอาจารย์สมัยก่อนทําไมท่านทําได้เนี่ยเขาก็ว่ามากูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็กราบรูปเคารพอยู่เราก็ต้องเข้าใจว่าท่านกราบรูปเคารพก็จริงแต่ใจของท่านผ่านรูปเคารพไปถึงองค์พุถะธรรมะสังฆะในหลักธรรมชาติคือพุทธธรรมะสังฆะในหลักธรรมชาติคือเป็นอานํานาจธรรมชาติบริสุทธิ์อรรมาชาติใช้คำว่าพลังทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ท่านกราบรูปเคารพ โดยผ่านรูปครรมนี้ไปถึงพลังอำนาจทางธรรมชาติบริสุทธิ์นั้นท่านใช้แค่เป็นเครื่องผ่านสื่อแต่เราไม่ได้ใช้เป็นเครื่องผ่านเราใช้เป็นเครื่องยึดนะยึดแต่สื่อไปไม่ถึงเชื่อมโยงไปไม่ถึงใช่ไหมเมื่อมันเชื่อมโยงไปไม่ถึงมันเลยติดอยู่กับรูปคอรพ อ, อยู่พอติดอยู่กับรูปคารค์ปับ๊บคูบาอาจารย์ท่านมีรูปเล็ก ท่านไว้เอาไปแค่เป็นเครื่องผ่านไปถึงพระราตนไตรยเพราะตอนนั้นยังยังทุกคนก็ต้องเริ่มต้นมาจากโลกียะก่อนเข้าใจไหมโลกียะก็คือยึดถือแบบผิดๆก่อนแต่ไม่งมง่ายคือยึดเป็นเครื่องผ่านแค่นั้นสุดท้ายท่านก็เสร็จกิจของท่านท่านก็ไม่ได้ไปสร้างไม่ได้เห็นคุณค่าของพุทธรูปแล้วไปสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อันที่มาสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือไม่ได้ผ่านด้วยปัญญาของตัวเองคือไม่ได้ก้าวเข้าถึงโลกุตตะระจับอยู่ในชั้นของการยึดพึ่งในโล ก, กียะแล้วไปสร้างพุทรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นเครื่องสักการะโดยไม่ได้มองหลักคําสอนพอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านใช้พุทรูปเพแค่เป็นเครื่องพานสื่อไปถึงพระรัตนาใจทานธรรมชาติและจิตท่านเข้าถึงโลกุตตะระทานธรรมชาติแล้ว ท่านก็มาสอนให้ยึดถือพระรัาาตนตัยในทางที่ถูกใช่ไหมทิ้งรูปเหรียญทิ้งเครื่องวัตถุปลุกเสกถือผีถือสารถืออะไรท่านทานสอนพวกนี้ใช่ไหมท่านสอนเพื่อให้ทิ้งพวกนี้แต่ท่านตอนนั้นท่านแก้ไขได้ในระดับนั้นหมายถึงว่าในยุค น, นั้นมันเหนียวแน่นในการยึดแบบงมงายกันเยอะท่านก็แก้ไขกลุ่มที่ยึดถือผียึดถือวัตถุมงคลเครื่องรางของขังโดยแสดงถึงความเป็นพระรัาไ ต, าตายที่เป็นพระรัตไตายให้ทราบที่แท้จริง ว่ารัตนนาไตาที่แท้จริงเป็นอย่างไรที่ไม่แท้จริงเป็นอย่างไรนั่นก็สอนให้ทราบแล้วก็ให้ทิ้งการยึดพึ่งมายึดรัตนไตาที่เป็นรัตนนาไตาตอนนั้นท่านไม่ได้สอนรัตนนาไตาทางนามเพราะท่านคำนวณว่ามันยากแก่การเข้าใจของคนในเวลานั้นถ้าจะสอนพระรัตนาไตายทางนามท่านจึงให้มีรูปคือพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยในที่ต่างๆอย่างเงี้ยให้คนเข้าถึงแต่ลูปปู่องค์ลูปปู่มั่น ท่านทำมาสอนคนทางเชียงใหม่ที่เป็นคนดอยน่ะท่านก็ไม่ได้เอาพุทธรูปให้เขาท่านก็บอกว่าเดินหาพุทโธ ท, ท่านนั่นเองเดินหาพุทโธก็คือเดินหาพระพุทธเจ้าพระธรรมประ์นั่นแหละก็ท่องอยู่ในงั้นจิตเราจะเชื่อมโยงกับพระรัตนาตรัยทางธรรมชาติเองมันก็จะปรากฏเป็นอะไรที่ตามตามแต่การเชื่อมโยงของจิตหากระลึกถึงด้วยความจริงจังก็ปรากฏอย่างจริงจังเป็นเครื่องรองรับจิต เนื่องจากว่าท่านแก้ไขคนระดับนั้นในเวลานั้นได้เท่านั้นจะเอาไปมากกว่านี้ไม่ได้ทีนี้เราคนยุคหลังมาซึ่งได้เรียนรู้ปฏิปทาของท่านแล้วก็มามองว่าแท้ที่จริงจุดประสงค์ของท่านเพื่อให้ผลเข้าสู่ทางโลกุตละนั่นแหละทีนี้พุทธรูปมันหลักมันมากแล้วทีนี้มากจนกลายเป็นพาณิชย์ใช่ไหมละ่ะสมัยก่อนมันมีไม่ได้เป็นพาณิชย์นี่สมัยนี้มันมีจนกลายเป็นพาณิชย์กลายเป็นพุทธพาณิชย์ไปแล้วเมื่อกลายเป็นพุทธพาณิชย์แล้วเนี่ยปวดหัวอะไร เมื่อกลายเป็นพุทธภาณิชย์มันก็ดิ่งไปสู่ศีลพัตตปรมาสใช่ไหมความงมงายยึดถือกันอย่างงมงายพอมีการยึดถืออย่างงมงายไอ้เราก็มองเห็นปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์แกะคนหรือดึงคนออกจากวิถีแห่งความงมงายในการยึดถือพระราษฎรใจผิดแล้วคนก็วกเข้าไปสู่พระราษฎรที่ผิดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวัตถุมาเป็นที่ตั้งแห่งการยึดเท่านั้นเองกลายมาเป็นยึดยึดรูปข้อลบ เราก็ยังแกะคนออกจากรูปเคารพทีนี้อาตอมาก็พยายามแกะตรงเนี้ยแกะคนออกครูบาอาจารย์ท่านสอนในรุ่นนั้นอย่างนั้นท่านในระดับนั้นเมื่อเรามองแล้วเราก็ควรจะมีปัญญาบ้างไม่ใช่ว่าเฮ้ครูบาอาจารย์ท่านยังมีโว้ยท่านมีท่านไม่ได้มีแบบให้คนหลงงมงายอย่างนี้ใช่มหมหลังแม้แต่รูปของท่านเองท่านจังสั่งเลยไ ม, ไม่ให้ทำํำนุ๊ปูมั่นสั่งไว้เลยห้ามทํารูปเคารพอของเราขึ้นมาหาใครทํารูปเคารพของเราขึ้นมา คนนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราแต่ทีนี้ลูกศิษย์ลุงปู่มันปั้นรูปลุงปู่มันรูปองค์เบ้อเลยอยู่ทางสีคิ้วนี่แหละเอ๊พูดไปจะกระเทือนหรือเปล่าทางนี้ลุงปู่ลุงปู่มันสั่งไว้เขาก็บอกว่าเอาท่านไปเอาคํานี้มาจากไหนลุงปู่มันไม่เคยพูดอารู้ได้ไงลุงปู่มันไม่เคยพูดยุคของท่านท่านไม่ให้ทําใช่ไก็ ไปอ่านคําสอนของท่านดีๆเทท่านปฏิเสธจะตายเรื่องพวกนี้ท่านพูดถึงเรื่องการเบริกเนตรใช่ไหมพระองค์เป็นพุท ธ, ธะเต็มตัวแล้วจะไปเสกให้พระองค์เป็นพุท ธ, ธะอะไรอีกจะไปเสกพุทธรูปให้เป็นพระพุทธเจ้าอะไรอีกพระองค์เป็นพุท ธ, ธเต็มตัวแล้วพระองค์มีสายตาที่บริสุทธิ์แล้วจะไปทําพิธีเบิกเนตร ให้พระ อ, องค์ทําไมพระ อ, องค์บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วคนที่ไปปลูกเสกพิธีทำพิธีเบิกเนตรนั้นบริสุทธิ์หรือยังที่จะไปปลูกเสกท่านหลวงปู่มั่นพูดอย่างนี้ใช่ไหมมีนะมีหลักฐานยืนยันนั้นในคํานี้หลวงปู่มั่นพูดอย่างนี้ทีนี้พอหลวงปู่มั่นพูดอย่างนี้องค์หลวงปู่มั่นเป็นองค์ครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือมากไม่ใช่พูดว่า ม, มากโดยการพูดโดย โดยโดยให้คนมาเห็นว่าอาตมาพูดเอาเพราะเป็นครูบาอาจารย์อะไรสายก็มาฐานสายอะไรแล้วเคารพไม่ใช่อย่างนั้นหลวงปู่มั่นท่านจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามเป็นที่เคารพแค่ไหนก็ตามหากอาตมาไม่ได้รู้ทำในสิ่งที่หลวงปู่มั่นได้บอกไว้อาตมาก็รู้สึกเฉยๆกับหลวงู่มั่นเฉยๆก็รู้ว่าเป็นพระที่น่าเรื่อมใส่น่าเคารพผู้นึงน่าสัก ก, การะไหวแต่ก็เฉยๆ เฉยๆไปงั้นแหละแต่เนื่องด้วยว่าอาตมาได้รู้คําสอนจากหลวงปู่มั่นคือพูดง่ายๆว่าทําให้อาตมาอยู่ทุกวันนี้หรือได้เข้าถึงธรรมชาติอันเป็นที่สบายแห่งใจได้ทุกวันนี้ก็เพราะคำสอนหลวงปู่มั่นแล้วจากคําสอนหลวงปู่มั่นจึงยองเข้าไปถึงคําสอนของผู้ที่เจ้าจึงเกิดความเคารพ อ, อย่างแรงกล้าหลวงปู่มั่นเหมือนกับอยู่บนหัวอยู่ตลอดเวลา อย่างแรงกล้าเลยนะเขาลงมากทีนี้เห็นคนเอาลูก้องปุ๋มันไปปั้นแล้วตั้งเป็นอนุสาวรีย์มันทำให้รู้สึกพูดดีไหมนอะไม่พูดอะรู้สึกหัวรู้สึกแบบเฮ้ยยังไงอะ่ะ พูดแล้วก็กระเทือนพูดเรื่องถึงพระพุทธรูปห้าพระองค์อ น, นั้นก็ยังกระเทือนอยู่ที่ว่าทำซ้อนซอนกันห้าองค์อันนี้พูดถึงมันมีนะแต่มาผ่านไปเห็นมานั้นนั่งรถไปผ่านไปบริเวณแถวนั้นสีคิ้วรลือที่ไหนไปขอนแก่นวันนั้ น, น, น, น, นอ่ะที่นนเพลาก็มี รู้สึกว่าอยากจะกดกระจกลงหายใจมีอิ่มเลยนะแล้วพร้อมที่อยากจะอ้วกออกข้างๆกระจกนะ่ะนั่งลถไปเชื่ชูครูบาอาจารย์เอาศรัทธามาเป็นข้ออ้างแต่ทําลายคําสอนของครูบาอาจารย์จะเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงเอาศรัทธามาเป็นข้ออ้างที่จะเชิ่อชูพระพุทธเจ้าแต่ทําลายคําสอนของพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นพู้รัาวกได้ยังไง เอาศรัทธามาเป็นข้ออ้างในการบูชาศาสนาสร้างศาสนาสร้างพุทธรูปเป็นตัวแทนของศาสนาแต่ทําตามพิธีพามชื่อว่าเป็นผู้บูชาศาสนาอยู่เหลอเพราะสิ่งที่ทํานั้นทําตามพิธีพามทั้งนั้นพุทธาพิเศษพามทั้งนั้น เส้นสวงกาบไหวพานทั้งนั้นเด้วบอกจะเชิดชูศาสนาเชิดชูด้วยวิธีการอื่นไม่ได้หรือที่มันถูกต้องที่มันไม่ผิดเชิดชูแบบพุทธเราเชิดชูแบบปฏิบัติให้คนเห็นรักษาศีลให้คนเห็นดูสิทําสมาธิมีจิตตั้งมั่นให้คนดูสิ แผ่เมตตาให้กันและกันอยู่ทุกๆวันให้คนดูดีมีใจเอื้อเฟื้อก ร, รุณาต่อกันอยู่เสมอทําให้คนดูที่ไม่กดขี่ข่มเหงไม่เอาเปรียบใครไม่ว่าร้ายใครไม่กล่าวร้ายใครทำให้คนอื่นดูสินี่สักการะบูชาแบบพุทธใช่ไหมเชิดชูศาสนาแบบพุทธใช่ไหยไม่ทํำนี่ห้อยพระอยู่เต็มคลองด่าคนอื่นชี้พายไว้วอดอยู่ก็มี ยังไงล่ะไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์กราบภรูบาอาจารย์มาแต่ก็ติ่เรื่องายยึดติดเป็นศาสนามการยึดติดไปแล้วความเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรู้ชัดว่าพระรตนตยเป็นอย่างไรเอาแล้วบุุรชนล่ะ หากเป็นบุตรชนที่เข้าถึงรัตนาไตาทางด้านโลกียะที่แนะนําไปก็จะทราบได้เพราะอาตมาเองก็เข้าถึงรัตนาไตาทางด้านโลกียะแบบนามนี้มาก่อนแล้วสัมผัสรับรู้แบบนามนี้ได้คือเข้ารัตนาไตาทางนามไม่เข้าถึงทางรูปรู้ชัดเข้าใจชัดอย่างนั้นมันก็เริ่มมาจากตรงนั้นก็รับทราบได้แตย่ยังไม่ชัดเจนคล้ายๆชัดอยู่แต่มัน ยังไม่เข้าโลโลกุตระใช่ไหมล่ะเมื่อยังไม่เข้าโลกุตระมันก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนใจพอเข้าถึงโลกุตะระปั๊บแน่นอนใจเลยทีนี้รัะตนนาไตาอันกับรัตนนาไตานี้อันเดียวกันเลยทีนี้ชัดเลยจนไปถึงนวลแหละชั้นต่อต่อไปจนจนแม้แต่ความเป็นรัตนนาไตานั้นก็ขาดหายไปเลยออกจากจิตนี่ขาดหายไปไหนไปรวมอยู่กับพระนิพพาน รวมไปเลยเป็นธรรมชาติเนื้อเดียวกันเลยที่นี่แต่ก่อนมันแยกกันแต่พอถึงที่สุดแล้วมันรวมเป็นอันเดียวกันเลยที่นี่เออทำไมพระรัตนไตอันที่เคยอยู่ในใจเราอยู่ตลอดไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติแห่งความดับสนิทอย่างนั้นเนี่ยอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น ความเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันก็เรียกว่าเป็นอริยเจ้าพระสกทาคามีก็เป็นพระอริยเจ้าพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอริยเจ้าพระอะหังก็คือเรียกว่าพระอริยเจ้าแต่ตาการตาการณนที่คุณธรรมคุณธรรมของพระริยเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันพระโสดาบันจะไม่ทราบคุณธรรมของพระสกะทาคามีว่าสกทาคารีมีคุณธรรมแบบไหนแต่พระสกะทาคารีจะทราบคุณธรรมของพระโสดาบัน พอผ่านมาแล้วพระสกทาคามีจะไม่ทราบคุณธรรมของพระอนาคารีพระอนาคามีจะไม่ทราบคุณธรรมของพระอรหันต์พระอรหันต์กับพระอรหันต์ทราบคุณธรรมของกันและกันไหมทราบไหมบางทีพระอรหันต์กับพระอรหันต์ก็ไม่ทราบเหมือนกันพระอรหันต์กับพระอรหันต์บางทีมองกันเป็นบุรุษชนก็มีแต่ถ้าได้คุยกันแล้วจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้ายังไม่คุยกัน บางทีมันมีบางอย่างที่เป็นเปลือกนอกที่เป็นติดอยู่กับอุปนิสัยของของพระอรหันต์บางท่านที่มองแล้วเหมือนกับกิริยาของบุรุษชนหรือคนทั่วไปมองแล้วมันไม่เข้าท่าก็มีใช่ไหมหลังก็อาจจะมองผิดได้แต่เราจะเอาสิ่งภายนอกมาเป็นประมาณไม่ได้ทีนี้พอพูดคุยกันถึงหลักธรรมปับ๊บคนผ่านมาด้วยกันจะรู้กัน <c oughs> จะรู้กันเองอ๋อ เป็นอย่างนี้นเองที่รู้กันได้ด้วยการสนทนาถ้าไม่สนทนาจะไม่รู้มองเฉยๆจะไม่รู้สนทนาจึงจะรู้เพราะมีอรหันต์กับอรหันต์บางคนเนี่ที่ไม่ได้พูอยู่กันไม่ก็ไม่เคยสนทากันเนี่ยพยากรณ์กับเป็นบุตรชนก็มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องภายใน นอกสัดเสียจากพระอรหันต์ที่มีเจโตปริยญาณสามารถกําหนดรู้จิตว่าจิตไหนมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตไหนมีกิเลสปราศจากิเลสนะพระอรหันต์จําพวกนี้จะสามารถรู้ได้สามารถพยากรณ์ได้คํานวณรู้ไดม้มีเรื่องอะไรอีก เรื่องปีเกิดปีนักษัตริ์พวกนี้ค่ อ, ค, อ, อคือถ้ามองในแง่ว่า ม, มันเป็นเหมือนสัญติว่าลักษณะของคนเกิดปีนั้นจะเป็นแบบนั้นแบบนัเช่นนี้ก็ไม่ควรยึดถือเราต้องเข้าใจกันว่ายึดถือโดยความงมงายกับใช้ความรู้จากสิ่งเหล่านี้แต่ต่างกันนะการใช้ความรู้จากสิ่งเหล่านี้ ไม่ผิดแต่การยึดถืออย่างงมงายผิดมัยายว่ า, า, าคนเกิดปีนี้เวลานอนนอนไปในต้องเอาหัวไปทิดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะคือจะว่างมงายก็อาจจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ได้งม ง, งายมันมันเป็นถ้าจะประมวลตามหลักของกรรม แ, แล้วคนไม่ได้เกิดเป็นเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเกิดเกิดเกิดเป็นสัตว์นิสัยของสัตว์นี่ก็มีหันหัวไปอย่างนั้นหันหัวไปอย่างนี้นอนขดตัวนอนเหยียดนอนงายนอนอะไรมันมันมันผ่านพบชาติของความเป็นสัตว์มามากความเป็นมนุษย์เป็นมาน้อยนะไม่ใช่ว่าในมาได้เป็นง่ายๆนะแต่ความเป็นสัตว์ด้วยฉันเป็นมามากกว่าจําเนียบเปรี้ยปีศาจสุรุกามันเป็นมามากกว่า <c oughs> เป็นม า, มากๆการเป็นอยู่กับอะไรก็ตามบางคนนี่อยู่นิ่งๆได้นานเคยเกิดเป็นเตา่าหรือเคยเกิดเป็นเต่าะเข้เวลาอ้าปากนิ่งๆนานๆอยู่เฉยๆเช่นไหมบางคนอยู่ไม่เป็นสุขนั่งกับแป๊บเดียวทำกับแป๊บเดียวก็ดุกกระดิ๊บยุกยิกไปหมดมเคยเกิดเป็นลิงมาก่อนบางคนชอบพูดชอบเพี้ยงชอบอะไร น, นเคยเกิดเป็นนกคนนี้ คีบจบบแก๊บอะไรกันอย่างงั้นมันหลายอย่างอ่ะบางคนก็ง่วงเงาเขาเน้อด้วบ่อ ย, ยเคยเกิดเป็นหน้าเกิดเป็นงูเ mm hmm. ห็นไถ้าจะพูดถึงเรื่องภพชาติเนี่ยมันสอออกมาจากกิริยาของของพวกเราเองเนี่ยว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรกันมาบางคนแคบชอบมองแต่ท้องฟ้ามองดวงดาวมองนั่นมองนี่มองอย่งนั้นเลย อันเนี้ยเคยเกิดเป็นพราม์มืก่อนภูฏิจาว่าเกิดเป็นพราม์พรามพราหมณ์ประเภทที่เรียนเรียนศ า, า, าสตร์ดาราศาสตร์อะไรประเภทเนี้ยพราหม์แต่ก่อนจะจะกำหนดดวงดาวเป็นที่ตั้งนี้พราม์กำหนดดวงดาวกำหนดการโคโจรของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พวกพรามเคยเกิดเป็นพราม์มา่ก่อนนิสัยเรานั้นติดมาเลยชอบเนี้ยหน้ามองดูอยู่เ ป, ไป็นประจำอะไรไม่รู้อ่ชอบมอง หรือบางคนเคยเกิดเป็นเทวดาสถิตเมฆมาก่อนเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ชอบมองแต่ก้อนเมฆเอ๊ะเคยอยู่ตรงนี้นะความรู้สึกจะผูกผูกใจอยู่เอ๊ะมันเคยเคยเคยลอยอยู่อวกาศอยู่อย่างนี้หรืเอเคยลอยอยู่บนก้อนเมฆอย่างนี้เอ๊ะอยากจะขี่เมฆจังความรู้สึกมันแสดงขึ้นบางคนเคยเกิดเป็นไส้เดือนเคยเกิดเป็นสัตว์อะไรที่อยู่ในใต้ดิน อยู่ในที่ธรรมดาทั่วไปไม่ได้ต้องอยู่ในถ้าชอบไปอยู่ในถ้ำในรูนะมีร่องไหมเคยเกิดก็ไดเนาะม่ดองนีร่อยมีในถ้าเกิดเกิดขึ้นอะไรตุนนะหนูนะยังโซแปะขาอยู่นะคะโอมันแค่เคย แต่ปัจจุบันนี้เราเป็นอะไรเราต้องทราบความเป็นปัจจุบันอดีตมันเคยเป็นมาทั้งหมดนั่นแหละแต่ต้องทราบความเป็นปัจจุบันเป็นมนุษย์ต้องทําตัวให้เป็นมนุษย์แต่สิ่งที่มันแสดงออกผ่านความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีให้เท่าทันต่ออาการที่มันแสดงออกนั่นแหละเมื่อรู้เท่าทันแล้วกูเป็นคนนะเว้ยกูต้องทําแบบคนคนเขาอยู่บ้านกูก็ต้องอยู่บ้านหากเราไม่ไม่รู้เท่าทันอย่างเงี้ยเราเป็นไปตามอาการที่มันแสดงออกตามความรู้เคยแต่ปางก่อนมันก็หลงอาการนี่เนี่ พอหลงอาการแล้วเราก็ติดในภพชาติอีกกันวเนี่เดี๋ยวต้องเป็นบอกให้ไม่ได้มาฟังคืนนี้ค่ะเดี๋ยวผมคงจะฟังอยู่บ้างชอบอยู่ถ้ำเหรอชอบอยู่ท่เด็กอยู่ในถ้ำชอบอยู่คนเดียวอาจจะมีนิสัยปัจเจกับพุท ธ, ธมาก่อนนิสัยปัจเจกับพุท ธ, ธคือ อยู่คนเดียวรู้คนเดียวปฏิบัติบรรลุเฉพาะตนน่งนิสัยปัจเจกับคุณท่านแลวทีนี้โหราศาสตร์คือประมาณเกี่ยวกับเรื่องของปีเกิดหรือเรื่องของตัวเลขตอนแรกที่สงสัยก็อาจารย์ได้บอกแล้ ว, ว่าถ้า นำมาใช้เลยไม่ใช่เรื่องมองมงาย อ, อืนมันได้ไมด้มันมีความเป็นจริงมากอยู่เหมือนกันนะเ <_ S 1> ขาก็พยากรณกันมาพุทธเจ้าไม่ได้พยากร์ด้วยตัวเลขพโพพยากรณ์ด้วยยานแต่เราพรามเขาพยากรณ์ด้วยตัวเลขแต่ความแม่นยำเขาก็สูงความแม่นยํำตัวเพจ ท, ที่เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายได้เลยคนเนี้ยต้องตายภายในเจ็ดวัน ก, ก็ก็รู้ตายคนนั้นกต็ต้องตายไปถามพระเจ้าพระเจ้าต้องตายแน่นอนตามที่พามเขาทํานายมาแล้วมีวิธีแก้ไหมเราพระเจ้าข้าพามไม่มีวิธีแก้ใช่ไหมล่ะแต่พระเจ้าเรามีวิธีแก้ใช่ไหมมีสิพรามวิธีแก่มีอยู่ทําไงหรือพระเจ้าข้าคงจะสอนไปวิธีแก่ก็ต่ออายุไปได้อีกจากที่ต้องตายภายใน7จวันก็ไม่ต้องตายก็อยู่ต่อได้อีกอายุไปยืนขึ้นแตกต่างตรงที่ว่า พามเขาทํานายถูกแต่วิธีแก้ต้องแก้ตามพุทธใช้ความรู้ที่เขาทํานายทําโหราศาสตร์ใช้ความรู้อาศัยความรู้หรือเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่แก้นั้นให้แก้ตามหลักพุทธศาสตร์พุทธเจ้าสอนหาเขาบอกว่าชะตาขาดจะแก้อย่างไงทําพุทธแก้อย่างไงไปไหว้พ่อใช่ไหมไหว้พ่อไหว้แม่ไหวปู่ไหวย่าไหว้ตาไหวยาย ไหว้ผู้หลักผู้ใหญไหว้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพไหว้การไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุจริงๆหรือหาที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุโดยไม่ไว้ใจว่าจริงมีอยู่ที่ไหนลงทุนไปอินเดียก็ได้ไปการไหว้พุทธคยาสถานที่ประสูติตรัสรูปนิพพานซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงหรือถ้าไม่สามารถไปอย่างนั้นได้ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ไหว้ย่าไหว้ตาไหว้ยายแล้วก็หาไหว้ พระอริยเจ้าในประเทศเนี่ยมีกี่องค์คํานวณดูกี่วัดครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีทําไมจะไม่มีหาเถอะแต่อย่าใช่อริ ย, ยเจ้าปลอมนะอริยเจ้าจริงๆต้องเป็นอริยเจ้าจริงๆแต่พระโสดา บ, บันจนถึงพระ อ, อรหรันนมันมีอยู่ทำไมไม่ได้มีไหว้ในสิ่งที่เป็นความเจริญต่ออายุได้และเมื่อทําการไหว้ จบเสร็จแล้วอันสุดท้ายสวดพระ ป, ประวิคได้เนี่ยใช้ความรู้จากโคโลศาสตร์แต่วิธีแก้แก้แบบพุทธให้เขาทำอย่างนั้นเขาใจอย่างนั้น อันที่เป็นพิธีพามพิธีพามพิธีสืบชะตาในพุทธศาสนาก็บอกแล้วไงไปไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ไหว้ย่าไหว้ตาไหว้ยายไหว้พี่ไหว้ครูอาจารย์ที่สอนสั่งสอนเรามาไปไหว้ผู้ที่ถึงพรเจริญอภิวาทนาศีริสันนิจจังพุท ธ, ธาปราจายีนุเนี่ยก็บอกเอาพระเป็นคําให้พรไม่ใช่หรอคําให้พรบ้าอะไรคําสอนให้ไปไหว้อภิวาสไปไหว้ เป็นคำสอนที่พุทเจ้าบอกให้พระมาบอกโยมต่อว่าบุคคลผู้มีปกติกาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญเนี่ยใคร เ, เป็นผู้เจริญใช่ไหมล่ะก็หาดูหาผู้เจริญไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่นี่คือผู้เจริญที่สุดแล้วไม่ใช่ไปไหว้ศีลสักศิษย์ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ไหว้พระ พ, พุทธรูปพุทธรูปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเจริญผู้เจริญ บุคคลผู้จเจริญใช่มครัพุทธูกไม่ใช่บุคคลนี่รูปเป็นแค่วัตถุรูกปั้นพระอาจารย์ครับบทที่ว่าเนี่ยค่ะยังไงตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งก่อนหน้านี้ได้ยินฟังมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เข้าใจความหมาย ก, ก็คือเป็นพระให้พรนะคะก็นั่นแหละ ก, ก็เขา้าใจว่าพระให้พรกันทั้งประเทศไงมันจึงเป็นการให้พรด้วยความงมงายไงพระอริยเจ้าทั้งหลายจะทิ้งความงม ง, งายพวกนี้ออกหมด จึงมันเป็นการขัดในความรู้สึกของอาตมาที่จะมานั่งสวดอภิวาทนาสีลิสติจังวุฒาปัจิโนเนี่ยอะไรอ่วะจะมันเป็นคําสอนเราก็สอนไปที่เมื่อเราสอนแล้วคนรู้เข้าใจแล้วจะไปสวดทําไมนะใช่ไหมพีม่สวดสวดอะไรแล้วสวดไม่เข้าใจกันสวดให้สาธุแต่ไม่เห็นไปไหว้พ่อไหว้แม่มันไม่เห็นไปไหว้สิ่งที่เป็นความเจริญไม่เห็นไปไหว้ครูอาจารย์ เห็นจะไหวกันเลยภรรยาก็ต้องการไหวาสามีถ้าจะให้เอาถูกต้องเอาจริงๆงเอาถูกต้องจริงๆนะทําอยู่เป็นนิดด้วยไม่ใช่แค่กลัวตายแล้วทําอย่างเงี้ยไม่ใช่ทําอยู่เป็นนิดไม่ใช่เขาทักมาว่าชาตาขาดกล้องไปทําแค่เจ็วันพระยาบอกนิดจังอภิวาณาศีลริสนิจังทําอยู่เป็นปกติทําอยู่เป็นนิด ไม่ยอมทํากันเลแต่เราก็ทํากันอยู่ยนะไปทําการทํางานก็ไหว้กันอยู่ใช่ไหมล่ะไหวหัวหน้าลูกน้องไหวกันแคก็ไหวกันก็ดีอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นนิดเลยแหละก็ดีแต่มันก็ยังไม่เพียงพอถ้ายาอให้เพียงพอว่าต้องพูดจเจริญ น, น่อนะเพราะในในี้ระบุว่ให้พูดจเจริญเรามาสวดกันให้พรกันไปแบบพอเป็นพิธี <c oughs> ก็ได้อยู่พอเป็นพิธี แต่ถ้าหลงงมงายเกินไปว่าถ้าไม่สวดให้พรแล้วรู้สึกมันขาดอะไรไปขาดความบกพ้่องทางสติปัญญานนเนี่ยปัญญาไม่บริบูรณ์ปัญญาไม่รู้จักคำนวณไถ่ควรไม่รู้จักนาไปสู่การปฏิบัติมีแต่จะบอกว่าเหมือนกับพระต้องไปบอกว่ามีปกติกาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนนะไปทำบุญครั้งใดก็มีปกติกาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนนะคือ อย่าเป็นคนมือกระด้างแข็งหนะ้าคือต้องกราบไหว้นะเป็นคนเคารพกราบไหว้เป็นคนอ่อนน้อมคือไปกี่ครั้งให้พระก็ต้องสอนอย่างเงี้ยไปกี่ครั้งพระก็ต้องสอนอย่างนี้อนอนแล้วก็รับปากว่าสาธุสาธุคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมก็รับปากพระว่าจะไหว้ อ, อ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนก็ <c oughs> ไม่เห็นอ่อนน้อมถ่อมตนสักที ไปว่าทําบุญอีกก็ต้องรองบทนี้อีกถ้าก็ต้องสวบดบทนี้ส่วนบทอื่นก็ไม่ได้อีกต้องสวบดบทนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันบอกกันอยู่อย่างงี้เหมือนกับพูดแล้วมันไม่เคยทําสักทีต้องบอกกันอยู่บ่อยๆแล้วไปบอกอะไรนักหนาอะไรขนาดจะเป็นทํานองเนี่ยเขาบอกเออพระอาจารย์พูดอย่างนี้เอ้ามันพูดอย่างงี้เลยเขาจะพูดอย่างไรเพราะแค่สวดไปตามธรรเนียมนั่นแหละพระอาจารย์ไปคิดอะไรมากอต่อตมาคิดมากเป็นคนคิดมากทําอะไรถ้ามันแค่ผ่านๆไปเฉยๆไม่เอา ทำแลไวต้องมีสาระทีแต่ก่อนเป็นคนไม่ชอบคิดแต่ก่อนอาตมาเป็นคนหัวทึบคิดอะไรก็ไม่เป็นไม่ทันคนด้วยจะเป็นคนเฉยเฉยญาติบอกว่าสมัยเลี้ยงดูตอนเป็นเด็กเอาไปวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเละนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นเนยเขาว่ามานะก็าลองให้ฟังคนอื่น โจแกลกจก๊กร้องเสียงดังดื้อยงั้นืออย่างนี้นนเบอกอาตามาไปวางไว้ตรงไหนก็อยู่ใช่ไม่เป็นอะไรกับใครและมีความรู้สึกของตัวเองว่า 1. ไม่ค่อยชอบคิด 2. ไม่ไม่ทันใครไม่ทันคนเขาตอนสมัยเปลี่ยนโรงเรียนไปเรียนอยู่กรุงเทพใหม่ๆขาด่าไอเหี้ยไอสัตว์เข า, ดาด ไ, ไ, ไม่รู้ว่าอะไรคือไอเหี้ยไม่รู้คืออะไรอไอสัตว์ไม่รู้ เพื่อนก็บอกมึงไม่โกรธเลวก็จะไปโกรธอะไรไม่รู้อะอะไรคือไอ้ทียไอ้สัตว์เพื่อนมันก็เลยล่ะพ่อไม่รู้จะโกรธไม่รู้จะไปโกรธทาไมแต่พอมารู้ความหมายของมันแล้วมึงเอ้ยวะมื่อด่ากูอย <c oughs> ่างเงี <c oughs> ้ยเพราะบางทีรู้ความหมายก็ไม่ดีนะไม่รู้เลยดีกว่าถึงจะดีท่าอาจารย์บอกว่าท่า อ, อาจารย์รับไปคิดไม่น่าใช่ฮะใช่ เป็นอย่างนั้นนั่นคือโดยนิสัยแรกๆ แ, แต่พอมามามาปฏิบัติไม่คิดไม่ได้คิดต้องพิจารณาอัตมาติดนิสัยการพิจารณานและเป็นการชอบคิดเห็นหอะไรก็ต้องพิจารณาเนี่ยมาจากการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ได้การพิจารณาเนี่ยมาเป็นพื้นฐานภายในจิตตั้ามาจะไปไม่เป็นเลยแล้วทาให้อัตมาคิดออกได้คือพระตนะไตคิดอะไรก็คิดออกง่าย แต่ก่อนไม่ชอบคิดดูเหมือนว่าการคิดมันยุ่งยากก็เลยไม่ชอบคิดแต่ต้องแยกออกว่าคิดแบบหนึ่งนะคิดแบบคิดคือการใช้ความคิดอีกแบบหนึ่งต้องแยกออกนะแต่ตอนนั้นที่ไม่ชอบคิดนั้นมันชอบอยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดนะ มีความคิดแต่มันมีความคิดในลักษณะที่เราไม่ได้ใช้ความคิดมันมีความคิดเกิดจากการนิ่งและเกิดความคิดขึ้นมาอันนั้นอ่ะมันจะนิ่งแบบรับรู้เฉยๆแต่ถ้าการใช้ความคิดเราใช้ความคิดเป็นตัวนําเราจะเกิดความรู้แต่กแขนงออกมากมายั น, นั้นจะรู้แค่เฉยๆต่างกันจากการคิดที่เกิดจากการพิจารณาในธรรม ก็มาเปลี่ยนตอนปฏิบัตินี่แหละแต่นิสัยเดิมที่ไม่ชอบคิดก็ยังมีอยู่มันจะขึ้นมาเป็นละลอกเป็นเป็นบางครั้งมีเหตุให้ได้คิดมันก็คิดไปแบบทะลุ ป, ปูโปงในเรื่องนั้นคือถ้าคิดเรื่องใดแล้วไม่ทะลุ ป, ปูโปงจะไม่หยุดคิดพอทะลุ ป, ปูโปงในเรื่องใดแล้วปุ๊บมันก็สงบหยุดคิดแล้วก็เฉยแล้วก็วางเขง้ามาทิ้ง ไ, ไม่ได้มีอะไรไปยุ่งวุ่นวายไปสืบต่อไปปรุงแต่งต่อไปมั่วไปคิดออกนอกหลักนอกรอยไม่ใช่ทุกอย่าง จะคิดพี่นะเพื่อเข้าสู่ความสงบไม่ใช่ว่าบังคับให้สงบหน้าหมายก็มาคิดเรื่องนั้นจนจบรู้เรื่องข้อมันอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเอานะมันวางแล้วก็สลัดทิ้งเลยไม่ทำมาเป็นปัญหาต่อความคิดอีกสบายจะมาอีกกี่ครั้งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับมันกับปัญหาที่เกิดพอเราคิดรู้จบตัดสายไปเห็ทุกอย่างว่าจัด ก, การอย่างเดียววันที่นี้ หมดเรื่องถามถ้าหมดเรื่องถามก็หมดเวลาไลฟ์ไลฟ์ในวันนี้ก็พูดสนทนาทรรมกันมีคำถามเข้ามาจากโยมทองคุณวงเวียนถามว่าร่างทรงที่นี่ทัพชาวบ้าน ถูกต้องหลายอย่างถามครับร่างทรงได้ยานชนิดไหนในการทายถูกร่างทรงไม่ได้มียานร่างทรงเขาจะมีผู้มาทรงผู้มาทรงเขาจะมีความรู้ในฐานะที่บางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ไม่รู้แต่ผู้มาทรงนั่รู้เพราะเขาอยู่ในภาวะรู้ในสิ่งที่ล่วงสิ่งที่มนุษย์รู้ คือสิ่งใดก็ตามที่รับรู้ด้วยภาวะทิพย์ร่างทรงเขามีความรู้โดยภาวะทิพย์อยู่แล้วโดยปกตินะเขามีความรู้พวกนี้อยู่แล้วที่เขาทายถูกเพราะเขาไปรู้ไปเห็นมาแบบถูกเขาก็เลยทายถูกแต่ถ้าไปรู้ไปเห็นมาแบบผิดเขาก็ทายผิดอยู่ที่ว่าเมื่อเขาไปรู้เห็นมาถูกในธรรมชาติที่เขาอยู่ในวิสัยที่รู้เกินวิสัยคนทั่วไปอยู่แล้ว เมื่อเขาไปรู้ถูกเขาก็มาทักถูกได้เหมือนกันไม่ได้เป็นญาณเป็นความรู้โดยวิสัยของเขาผีทุกตัวก็รู้อย่างนี้ได้เพราะนั้นร่างทรงไม่ใช่องค์เทพเพราะองค์เทพมีกฎอยู่ว่าจะไม่ทรงใครนี่คือกฎขององค์เทพเขาจะไม่ทรงใครหากมีการทรงนั่นไม่ใช่องค์เทพก็ขอให้ทราบว่าเป็นผี แต่เทพที่เข้าทรงโดยมีเหตุก็จะทรงได้อยู่เทพนะโดยมีเหตุจะทรงได้แต่ไม่ทรงบ่อยไม่ทรงจนเกิดให้มีร่างทรงในโลกไม่ใช่มาทรงเพียงแค่บอกเหตุบางอย่างแล้วก็ไม่มาทรงอีกอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนั้นคือเทพเ็าจะทำหน้าที่อย่างนั้นมาแป๊บๆ แ, แล้วก็ไปแล้วก็ไม่ใช่มาอีกแบบ อันเชิญมาก็มาอันเชิญมาก็มาไม่ใช่อย่างนั <ๆ S 1> ้นนะเทพก็จะไม่มาอย่างนั้นแต่ที่มาทรงอยู่แล้วอันเชิญมาเส้นสวงเส้นวาแล้วอ uh ันเชิญมาอันนั้นไม่ใช่เทพเป็นผีผีก็ก็มีความรู้ร่วงรู้ในเรื่องพวกนี้ได้อยู่เรื่องธรรมดาร่วงรูร้เรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่เรื่องความคิดจิตใจเขาก็รู้ได้ผีบางปลุกตัวที่มีความรู้คุณสมบัติเก่งในเรื่องการรู้จิตรู้ใจมีอยู่ตามาก็เคยเจอ ลงโรงไปตำหนักโรงตอนนั้นพันษาสามมั่งไปตำหนักโรงล้านโรงเป็นผู้หญิงพอหลวงปู่ลงโรงมาปับ๊บยกเท้าขึ้นปับ๊บอย่างนี้เลยพระอาจารย์ไม่เชื่อผมไอ้เราก็คิดอยู่ในใจ คิดอยู่ในใจว่าลงโรงเนี่ยไม่ใช่เทพลงมาแน่คิดในใจนะไม่ใช่แน่มารู้ความคิดเราด้วยพระอาจารย์ไม่เชื่อผมก็ไห <c oughs> ผมเนี่ยคือปูมาจากชั้นน้นชั้นนี้นี่ถ้าไม่ใช่พระอาจารย์ไม่สามารถเข้ามาตํางหนักผมได้หรอกพระอาจารย์ก็ต้องเก่งพอสมควรถึงมาเข้าตําหนักผมได้ <c oughs> คนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาถึงตัาหนักที่ได้พทษเาา ก็แล้วแต่เขาจะว่าน้อมก็รู้จิตรู้ใจได้ด้วยเว้ยโสมพวกนี้ก็ทายถูกก็ไม่เห็นเป็นไรก็ทายถูกอยู่แต่วิธีแก้ให้แก้ตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่ากแก้ตามหลักขององค์ทรงพูดอย่างนี้กลุ่มทรงเขาก็ไม่พอใจอีกใช่ไห ม, มเยอะเยอะ พูดในกรณี้ไม่ได้ปรามาตนะก็ยอมรับว่ามีและก็เคยสัมผัสมาแล้วและไม่ใช่การสัมผัสมาแค่ตํำหนักเดียวสัมผัสมาหลายตํำหนักแล้วเอาพลันตนาไตดีกว่าพรตันตนาไตเป็นของบริสุทธิ์สะอาดดีกว่าการยึดถืออย่างอื่นในบรรดาสิ่งที่น่ายึดมั่นถือมั่นในโลกนี้ยึดถือพรัตนาไตในทางด้านความเป็นนามดีกว่าอย่ายึดถือในด้านการเป็นรูปพรบ อยากจะทำทรงก็ทำไปแต่อย่าทำให้คนห ล, ลงงมงายลืมคนที่ไปเอาความรู้จากการทรงที่เขาทรงมาให้วิธีจะแก้ให้แก้ตามหลักของพุทธศาสนาบ้านนี้เขามีพวกลงทรงเยอะผีลงทรงเยอะส่วนมากผีอะไรไปเห็นมาแล้วบ้านเนี้ยนะที่ถามมาเนี่ยเคยไปมาแล้วเนี้ยไปบ่อยแล้วก็ส่วนมากผี ผีะีมันยก็จะกินของเส้นไหวหมดทองคูณวงเวียนเอ๊ะน่าจะเป็นใครน่าทองคูณยากๆเฉยหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้นก็พอสมควรแก่เวลาในวันนี้นะเอวังใช้เวลาในการอธิบายไลฟ์ like, สด ตอนนี้ขอให้มีความสุขความเจริญสำหรับผู้ติดตามรับชมกันอยู่